น่าคิดมากมากเลยเพราะเป็นวัตถุทานเนี่ยน่าจะเคยสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมที่เคยให้แล้วรู้สึกว่าเด่นชัดในอารมณ์มากประทับใจมากๆเลยถ้าไม่มีเลยอันนี้ชักมีปัญหานิดๆนดนนเนี้ยเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเราเคยบูชาพระเจ้าครั้งไหนที่ยังความปีติปลาโม่ให้เกิดได้ดีที่สุด หรือให้ทานเรื่องอะไรเคยสร้างพระเจดีย์เคยสร้างพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่เหอะเคยถวายพระไตรปิฎกเคยเจริญทานกุศลเคยตักบาตรเป็นเนืองนิดอะไรก็แล้วแต่นี่นถามว่ามุมกุศลต่างๆที่เป็นไปกระทานกุศลก็ขนาดทานกุศลนี่ถือว่าหยาบสุดไหมหยาบมากๆนะเป็นกุศลเบื้องต้นเดี๋ยวําไปแล้วยังนึกไม่ออกยังคิดไม่ได้ยังจําไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องน่าคิด <c oughs> น่าคิดเราจะมา เอาได้ทุกคนไหมหรือบางคนบอกคิดไม่ออกเลยได้ไหมทานเอาทานเ่อนนึกได้ไหมมีใช่ไห ม, มนั่นแหละเอามาละลึกบ่อยๆเอามาละลึกบ่อยๆละลึกจนถึงเสมือนว่ากําลังปรากฏเฉพาะหน้าได้นี่ในชั้นคําสอนบอกขนาดนั้นเลยเนี่ยสามารถหลับตาในปรากฏเฉพาะหน้าเสมือเหมือนหนึ่งตนเองกําลังสะให้เดียวนั้นอยู่ปรากฏเด่นชัดในขนาดนั้นได้อันนี้แปลว่าประทับตาตรึงใจแล้ว นั่นแหละเอามาหมุนให้เป็นอนุสติได้แล้วลองคิดถึงในชั้นศีลที่เอาสูงกว่าไม้นั่นไหมอีกใครเคยรักษาอุโบโสถศีลมากี่ครั้งเอาอะไรตนี้แล้วรักษาเน่ยเคยประทับใจชื่นใจมีไหมลองดูดูสิตั้งแต่ปาราฏิบาตการงดเว้นจากการฆ่า ง, งดเว้นจากการลากักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอ่องดเว้นจากการดื่มสุรามีอะไร งดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการบางคนนะ่ะไปวุ่นวายกับเรื่องการกินอยู่ในอะไรใช่ไหมมีเค่งอยู่ข้อเดียวอ่ะบางคนเคยสังเกตใช่ไหมทุกข้อเดีย่ยโอ้โหเป็นห่วงลวเลยเเรื่องข้อกินแต่ข้ออื่นเฉยๆเรื่องประหลาดมากสินแปดในนะี อ, อวิกาลโภชนะนี่ดูเอาจริงเอาจังเงลยเกินนู่จะถึงเวลาแล้วนะอะไรเนี่ยนะเคยไหมแต่ว่าข้ออื่นนะ่ยบางทีเนี่โอ้โหโดยเฉพาะข้อทางวาจาด้แล้วบ่นเช้าบ่นเย็นแล้ ว, ลวอุโบสถศีล อาเคยสังเกตไหมนั่เป็นเพราะอะไรอ๋อศีลก็ดูแลพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและทางวาจาใช่ไหมย่าบางทีมายังบอกว่าต้องมาไล่กันใหม่ไหมศีลเนี่ยลองมาเดินเดิยนลุย เ, เรียนกันดูจริงๆไหมแล้วเราจะรู้ว่าเราเราจะริยนศีลกันถูกหรือไม่ถูกแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนะเดินศีลกันไม่ใช่ทั้งหมดนะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเริญศีลกันไม่เคยถูกไม่ถึงถึงไม่ปลื้มใจไง เคยขนลุกขนชันน้ําตาร่วงเลย ค, คิดถึงศีลดีเลยนะโอ้โ oh, หปีติปาโมทเกิดขึ้นมามากๆเลยชื่นใจมากๆว่ากุศลศีล น, นี่เป็นไปกับมหากุศลใช่ไหมเป็นสมมนั้นอุเบกขาเขาก็เป็นไปอย่างความสดชื่นนะก็เป็นอย่างนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมในใจเขาเห็นอะไรอเขาเห็นอา น, นิสงส์ของการมีศีนโทษของการทุศีนนะจะเห็นทุกข้อเลยะฉะนั้นตัวศีลตัวกุศลศีลศีลแปดเนี่ย ศีลแปดศีลอุโบสถศีเนี่ยเออในชั้นของคําสอนเนี่ยในอุโบสถสูตรเป็นต้นเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงถามเออที่ที่พระพุทธเจ้าถามอุบาสกอ่ะบอกว่าเธอรักษาอุโบสถศีกันบ้างไหยบอกบางครั้งก็รักษาบางครั้งก็ไม่รักษาพระเจ้าบอกว่าเดือนหนึง่งมีวัวสถกี่ครั้งสี่ครั้งเท่านั้นทําไมรักไม่ยักษาทําไมประมาทมัวเมาจังจะไม่บอกว่าไม่ว่างก็ดูกะไรใช่ไหม เพราะจริงๆอั น, นิี้สงยิ่งใหญ่มากอันนี้สง่ะถามว่าจากักรพรรดิดีราดทั้งหลายเหล่านั้นมาจากอุโบสถศีีน่ะคนที่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายเหล่าเนี้ไม่อยากริ้มลองสมบัติของกัจกจกัจจภพสมบัติบ้างหรืออย่างเนี้ยของเรากุศลที่เป็นกุศลที่ธรรมดาเนี้ยที่เราเดินมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นกุศลที่เป็นกุศลไม่ใช่มาจากอุโบสถศรี น, นี่ยังดูหน้าตายังพอดูได้ขนาดนี้ ลองมาจากอุโบสถศีลน่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเนะี่ยมาจากกุศลศีลนะความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เป็นกุศลศีลระดับล่างๆ ล, ล, ลงมาทั้งนั้นเลยเนี่ยฉะนั้นผลเนี่ยยิ่งใหญ่มากอันนี้ผมมองแค่ผลของศีลเนี่ยนะเพราะความสมบูรณ์เนี่ยภพชาติเนี่ยสมบูรณ์จริงๆก็คือจักระพัฒสมบัติสักกะสมบัติมาราสมบัติพรหมระสมบัตินี่เห็น ไ, ไหมความยิ่งใหญ่ของกุศลศีลทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยเก่ับความสิ้นภพชาติ คนที่บรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนมีศีลกันทั้งนั้นเลยเออสักครู่ที่มียอมถามก่อนหน้านั้นใช่ไหมเออที่เข้าไปถามข้างในถามมาถามว่ากลับไปยังไม่รู้ที่ยอมถามบอกว่าเออทําไมคนบางคนเกิดมาเนี่ยนะบางคนก็รูปร่างหน้าตาดีบางคนก็ไม่ดีทั้งหลายเหล่าเนี้ยหรือบางคนก็มาเออจนบัง่งยากจนบัง่งขาดสนบัง่งก็ชี้ว่ามายากกุศลศีลที่มีตัวไหนขาดตกบกพร่อง มันมีหลักหลักการหลักการการรักษาอยู่ฉะนั้นตัวศีลจริงๆตัวทานกุศลศีลกุศลจริงๆที่ขับเน้นมาเจริญเนี่ยเป้าหมายก็คือเมื่อมานั่งณอาสนะเดียวแล้วเนี่ยระลึกได้เอามาเจริญเป็นกรรมฐานได้จริงๆด้วยการขับเน้นให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆอันนั้นคือคือทําให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องได้จริงๆและเมื่อจะหลีกเล้นไปอยู่นคนเดียวแล้วก็เอากุศลเหล่านั้นมาเจริญ การนึกถึงทานกุศลเนี่ยเป็นอนุสติข้อไหนจาคานุสติใช่ไหมถ้าเอาศีลมาละลึกก็เป็นศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติเนี่ยกะทำรรมานุสติเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างตรงไหนเจตนาทานที่เป็นใบกุศลใช่พระธรรมไหมใช่พระธรรมหรือเปล่าเจตนาศีลทั้งหลายเจตสิกศีลทั้งหลายใช่ทำใช่พระธรรมไหมเห็นไหมนั่นจริงจริงก็คือมุมเอาพระธรรมมาละลึกนั่นเองแต่แยก แยกหมวดธรรมว่าอันนี้เป็นหมวดทานอันนี้เป็นหมวดศีลเป็นต้นอันนี้หมวดมรณะอีกนนเป็นต้นนะแท้จริงก็คือหมวดของพระธรรมทั้งหมดนั่นเองหมวดของพระธรรมนั่นเองตรงนี้ก็คือให้เราทั้งหลายได้ได้เข้าใจในการที่จะเดินทานเดินศีลต่างๆให้เกิดความเข้าใจเออเดี๋ยวถามเรานัณณที่นั่งในที่นี้ด้วยนะว่าใครสามารถเอาทานนกุศลไปละลึกได้จริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยนะหรือ หรือการแนะนําอย่างนี้เป็นการเป็นการพูดพูดเสร็จเพื่อให้จบจบเบีดเสร็จแล้วก็ทํากิจกรรมเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเป็นมาในชีวิตหรือมันเอาไประลึกได้จริงๆริงไหมแบบที่พูดเนี่ยได้จริงๆริ้ไแล้ ว, ล ว, ลวจริงจริงในชีวิตทํำไหมบ่อยไหมคือความสุขเนี่ยมันมีสุขในการที่ได้อยู่กับตัวทานนากุศลความสุขที่เกิดขึ้นตัวนั้นเน่ยเมื่อได้สละแล้วเนี่ยเป็นโสม น, นั้น นิโสมนัสที่เป็นไปกับมหากุศลเนี่ยตรงนั้นน่ะดีแต่ทานกุศลบางอย่างนี่นะมีโลภะปริสเขาเรียกโลภะปริวาริตะทานโลภะปริวาริตะทานหรือโทสะปริวาริตะทานหรือโมหป ะ, โะปริวาริตะทานถ้าโลภะปริวาริตะทานการให้ทานที่มีโลภะเป็นบริวารแวดลอ้อมต้องระวังตรงนี้แต่ยังเราที่เดินกันแล้วก็ระลึกอยู่ตลอดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็น ถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าให้พอให้เบสเซ็จก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมบางขุมก็ให้แล้วมีโทสะเป็นบริวารเรีแวดล้อมให้ไปแล้วกลับมาหงุดหงิดพุ่งซ่านบางคนให้ไปแล้วก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมการสละการให้ที่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวารแวดล้อมโมหะเป็นบริวารแรียล้อมการรักาษาศีลก็ลักษณะเดิมเนี้ย รักษาศีลน่ยตัวเป็นกุศลศีลแต่ต่อมาก็มีโลภะเป็นบริวานแวดล้อมต่อมาก็มีโทสะเป็นบริวานแวดล้อมต่อมาก็มีโมหะเป็นบริวานแวดล้อมหรือการเอามาเดินเป็นภาวนาเอาทานศีลมาเดินเป็นภาวนามันก็ได้โลภะแวดล้อมกับโทสะแวดล้อมหรือโมหะเป็นบริวานแวดล้อมบุญประเภทนี้ถ้าตัวบุญให้ผลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเป็นมนุษย์ที่มีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นบริวานหนาแน่น เนี่ยมันจะมันจะตามมาแบบนี้ต้องระวังนิดต้องระวังเล็กนหนึ่งฉะนั้นไอ้คำว่ารู้ชัดกุศลรู้ชัดก อ, อกุศลเนี่ยสำคัญ ม, มากเลยะนั้นต้องเดินกุศลให้ได้เหมือนที่บอกว่าไปปฏิบัติกรรมฐานที่พูดเนี่ยแล้วติดพอพูดถึงนิพพานไม่เอาแล้วอันนั้นบองบอกถึงว่าเวทนาที่เป็นไปกับแค่สมาธิเล็กๆในน้อยเนี่ยนะบางกลุ่มได้แค่ขณิกาสมาธิที่เดินได้ยาวๆหน่อย มั่งกลุ่มสูงกว่านั้นหน่อยคือสามารถทําจนชํานาญเลยเข้าอุปจาระแค่เนี้ยแค่พื้นฐานตัวเนี้ยแล้วติดใจติดใจนะั้นเนี่ยความไปติดใจความไปชื่นใจนะไอ้โลภะเนะี่ยไปชื่นใจที่หลังแต่มันเป็นโลภะที่ละเอียดโลภะที่ชอบความสงบเป็นโลภะที่ชอบความสงบชอบความสุขประเภทนี้มันมีความละเอียดมันมีความสุขขุมเพราะไอ้สุขที่โลภะที่เคยได้มันหยาบมากไง เช่นได้กินเนี้ยได้เที่ยวเนี้ยได้ขับรถได้ดูหนังได้ฟังเพลงเนี้ยมันก็สุขแต่สุขแบบนั้นมันหยาบแต่พอมาได้สุขกับอารมณ์ที่มันละเอียดสุขขมเนี่ยมันมีความสุขเหมือนคนบางคนเอามามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเนะียสุขในการฟังเพลงแต่เขาไม่ได้ฟังเพลงธรรมดาเขาฟังดนตรีที่เพาะมากอ่ะนั้นพอฟังขึ้นมาเนี่ยเขาจะฟังเขาจะใช้เขาบอกว่าสติของเขาเขาพูดตามทํานองของเขาที่เขาไม่รู้คําสอนเนี่ยนะ เขาบกเขาจะระลึกได้ทุกเสียงเลยเสียงนั้นระลึกเขาบอกมีความสุขมากเพราะเป็นเป็นดนตรีที่มีแต่ดนตรีแล้วก็มีมีเสียงที่มันไพเราะมีความลึกซึ้งมากเขาก็ใช้สติตามก็ฟังอย่างให้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงใจเขาก็น้อมอยู่กับเสียงอย่างนั้นเขามีความสุขมากๆาชื่นใจมากๆก็ไปเล่าไปอยู่กับมานี่เนอะมาก็เลยบอกว่านี่คือเขาเรียกว่า อันนี้เขาเรียกตันหานี่คือเวทนาที่ไปยินดีในตัวบอกว่านี่คือตันหาที่ไปยินดีในสุขเวทนาเขาให้นี่แหละเขาเรียกว่ากินคราวของราคะอย่างละเอียดมันมีรสชาตินั้นเวทนาที่เกิดร่วมกับตันหานั่นแหละมันไปยินดีไปติดรสของราคะเขาให้บางคนไปติดรสชาติของโทสะบางคนก็ไปติดรสชาติของโมหะเช่นบางคนไปติดรสชาติแล้วถีนมิท้านี่ก็ติด บางคนเนี่ยฟังทำแล้วติดติดทีนะไม่ท้าคือฟังแล้วมันมันก็ได้ความสุขนะแต่ก็ได้เพลินเพลินเองั้นแหะอ่าใครเป็นบ้างจิตที่หนักหนักเนี่ยเป็นบ่อยไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นนะเช่นถ้าถามว่าติดโลภะนี่ง่ายใช่ไหมถ้าถามว่าติดโทสะติดยังไงมันจะติดรักหน่าบอกว่ า, วาโทสะของเราเนี่ยดีกว่าโทสะของคนอื่นเพราะโทสะของเราเนี่ยไม่เบียดเบียนใครอะ่ะไม่คิดอย่างนั้นนะ บางคนก็โมหะฉะนั้นไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยทาไมเราแกะโลภะโทสะโมหะออกยากมากเพราะเราให้ทานรักษาศีลนึกเจริญภาวนาแบบมีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวาแรแยบล้อมแวดล้อมแล้วก็โมหะเป็นบริวารแวดล้อมต้องระวังฉะนั้นกุศลเกิดไหมเกิดแต่เมื่อกุศลเกิดแล้วก็จะมีสภาพของอกุศลแวดล้อมแต่จะตัวไหนเด่นก็ว่าไปนี่นะตัวเนี้ย ให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานในยะเดียวกันเนี่ยชาวพุทธไม่สามารถหลุดออกจากมันได้เพาตรงเนี้ยหลายคนก็พากันติดกันเป็นแถวเป็นแนวเหมือนยาเสพติดเลยอ่ะทีนี้การเจริญกุศลนั้นเป้าหมายไม่ใช่ไปอยู่กับไอตัวเวทนาตัวนั้นเพราะเวทนาไม่ใช่ที่พึ่งไอสุขเวทนาโสมนสเวทนาทุกระดับเนี่ยอันนั้นเป็นกามเป็นวัตถุกลามทําให้ยินดีทําให้เพลิดเพลินเป้าหมายจริงๆต้องดับสุขนั้นเน่ย ต้องละฉันทราค่าในสุขนั้นให้ได้ต้องละความยินดีละความเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นซึ่งเราก็โอดไม่เอาแล้วใช่ไหมรู้สึกมันให้ความสดชื่นนี่เราไม่ชอบโทสะแต่เราชอบสภาพใจที่มันสบายแบบนั้นตรงนี้ก็ไปแยกไปแยกแยะนะอันนี้พูดไปคนออกว่าแล้วถ้าไม่เอาสุขตรงนี้แล้วเราก็ว้าวเหว่ใชีวิตนะยอมต้องเข้าใจคำว่านิพพานนะถ้านิพพานต้องดับเวทนาด้วยไหมดับตัวสมนัสเวทนาด้วยไหม ดับปีติได้ไหมแค่ European. นี้ก็หมว ह, เพราะปีติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารขันเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดด้วยแต่ก่อนมีที่ไหนสภาพปีติแบบเนี้ยสุขใจตอนเนี้มันเคยมีที่ไหนอะแสดงมาจะขตดปัจจัยใช่ไหมถ้าเหตุปัจจัยดับมันก็ดับนี่พอมีเหตุปัจจัยเกิดเขาจึงเกิดขึ้นฉะนั้นสุขเวทนาก็ดีปีติก็ดีจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพียงพอแล้วที่จะต้องเบื่อหน่ายแล้วคลายความหนักต้องรับชันทราคะแม้ในสุขเวทนาโสมนัสเวทนาและแม้ในปีตินั้นด้วยเ <c oughs> พราะเพราะสภาพของพระนิพพานนะ่ะสุขยิ่งกว่านี้ท่านจึงใช้คําว่าบรมสุขเนี่ยเป็นสุขที่ไม่ต้องอิงโสมนัสเวทนาฉนั้นเวทนาทุกระดับเวทนาในปฐมฌานก็สุขมากอยู่แล้ว ไปเจอเวทนาในทุติยชานยิ่งสุขมากกว่านั้นอีกไปเจอเวทนาในตัติยชานยิ่งสุขมากใหญ่เวทนาในจตุตชานโอ้โหสุขอย่างเหลือล้นพ้นประมาณนี้นะีพอเวทนาในอากาสานัญจายตนาวิญญาณัญจายตนาอากินจัญญายตนาในเนวะสัญญาณาสัญญายตนะละเอียดที่สุดละเอียดจนคนบางคนโอยออก ไ, ไว้แล้วติดเลยที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถก้าวล่วงจากชาติทุกทุชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกได้ ที่สุดจริงๆก็ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกในโทษของการไม่รู้ไม่รู้คุณไม่รู้โทษของเวทนาไม่รู้หนทางสลัดออกไม่รู้นิสลานะที่จะเดินออกจากเวทนาเหล่านั้นเพราะไม่เบื่อหน่ายในเวทนาเหล่านั้นไม่เห็นโทษของเวทนาเหล่านั้นก็ไม่คลายกำหนัดไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่ดับใช่ไหมไม่สำรอกฉันทราคะในเวทนาเหล่านั้นที่สุดจริงๆ ก, ก็กลายเป็นผู้ที่ไปยึดติดในสุขในโสมนัสอย่างนี้ ก็เป็นผู้เย็นมาสู่ความเป็นผู้เกิดแล้วแล้วเราเล่าแก่แล้วแล้วเเล่าแล้วก็ตายแล้วเล่าพอจะมองเห็นนะก็หมายเป็นอย่างนั้นพอเรารู้ธงอย่างนี้เบเสร็จเน่ยพอโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้โสมนัสเวทนาเกิดขึ้นพอปีติเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้ปีติเกิดขึ้นแต่ว่าปีติก็ดีโสมนัสก็ดีที่เกิดขึ้นในกระแสใจณครั้งนี้ก็เป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะถ้าอย่างเนี้ย จักได้สุขที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือสุขที่การดับและการสำรอกเพราะเป้าหมายคือการสละทั้งหมดไหมสละหรือไม่สละสละนะตอนนี้พูดสละก่อนเนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้สังเกตในการเดินทางใ น, นากุศลเนะี่ยให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมใช่ไหมหลายครั้งมากที่เราเนี่ยให้ถูกการเวลาให้แบบอนุเคราะห์สละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่น ให้เนืองนิดให้ขนาให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจชื่นใจชื่นใจปลื้มใจต้องเป็นไปกับยานปัญญาใส่คําว่ายานปัญญาไปด้วยถ้าไม่มียานปัญญาจากไม่ประดับตกแต่งจิตเพราะมันจะติดอยู่แค่สุขและโสมนัสแล้วก็จะไม่สามารถเดินออกจากโสมนัสได้ก็เลยให้ทานเพื่อโสมนัสรักษาศีลเพื่อโสมนัสแล้วก็เจริญภาวนาแค่โสมนัสนั้นไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายต้องไปไกลกว่านั้นต้องเพื่อวิปัสนาหรือเพื่อปัญญาที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงต้องสูงกว่านั้นถึงจะประดับตกแต่งจิตให้ละเอียดให้ประณีตกว่าเวทนาเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกทําสมถะและวิปัสนาให้เป็นไปถึงจะได้คําว่าจิตตาลังกาลังจิตตะบริขาลังนี่เขาเรียกประดับตกแต่งจิตใช่อะไ ร, ม า, ระ ม, ะามาประดับตกแต่งจิตใช้สมถะใช้วิปัสนามาประดับตกแต่งจิต ในทานศีลเป็นต้นเหล่านี้นี่คือการก้าวหน้าเดินพัฒนาสู่ความหลุดพ้นนีทานกุศลศีลกุศลนี่ใช่หลักปฏิบัติหรือไม่ใช่ใช่ไหมนี่เป็นหลักปฏิบัติโดยแท้เปลี่ยนมุมการปฏิบัติของชาวพุทธใหม่ดีไหมเรียกว่าท่านที่ฟังฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านบนรรลุธรรมเนี่ยจ้ะค่ะบรรลุอริยสัจสี่หรือว่า บ, บรรลุอะไรปรลลมัตหรือว่า บรรลุอะไรนะครับอ๋อพอฟังที่ฟังธรรมจากพุทธเจา้าถามว่าบรรลุอะไรก็คือคําว่าบรรลุในที่นั้นบางท่านก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมบางท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาค า, าพระนาคาหรือพระอรหันต์ในขณะฟังนะทีนี้ถามว่าบุคคลที่จะฟังและบรรลุได้ก็คือกลุ่มของอุคติตันยูใช่ไหมและก็วิปจีจันยูโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้ากลุ่มในยะทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องไหลายร้อยๆยรอบ แล้วก็ต้องไปปฏิบัติไปไข้ควรกันถ้าปัทภปรมา ก, ก็รอพบชาติต่อไปใช่ไหมเรือหลักก็มีอย่างนี้อุคติตันยูเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วมากกลุ่มนี้เขาประเภทที่ถ้ายกปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วหาไม่เจอแล้วอุคติตันยูยปยิตั น, ย, นยูถ้าปัจจุบันเนี่ยชัดเจนที่สุดจากหลักคําสอนที่จะคํานวณจากด้านคําสอนก็เหลือสามสองกลุ่มในญาบุคคลกับปัทภปรมา ในยากก็คือประเภทที่ฟังแล้วฟังอีกไข่ควรแล้วใคร่ครวรอีกปฏิบัติแล้วปฏิออดอีกให้สังเกต ด, ดูนะว่าเราฟังอย่างยกตัวอย่างเช่นฟังคําสอนเนี่ยนะถ้าอยากรู้ว่าเป็นในเป็นทุกเป็นอุคติตันยูหรือไม่เนี่ยนะสมมติอะมาสาธยายคําสอนไปตามบาลีตามคําสอนเลยนะเอาพุทธพจน์ล้วนเลยนะฟังป๊อบเข้าใจเลยแทงตลอดแล้วจาได้ทั้งหมดเลยนี่ใช่แล้วอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มอุคติตันยู แต่ถ้าโหไล่ไปทั้งสูตรหนึ่งยาวเพื่อเลยผ่านมาบอกไม่รู้พูดเรื่องอะไรเลยนี่นีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วถ้าถามบอกว่าบรรลุอะไรให้สังเกตดูนะว่าพระเจ้าแสดงเอุบาศกบาสิกาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็แสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็คืออนิสงส น, นั่นเองอนิสง์ของทานศีลแล้วก็มาโทษของโทษของสุคติภพทั้งหลาย โทษของกามทั้งหลายแล้วก็พูดเรื่องอ น, นิสง์การออกจากกามและแล้วก็มาสรุปมาแสดงเรื่องทุกข์ถ้าแสดงทุกข์ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือมีชาติที่ทุกข์ไงคือจะต้องวนเวียนอยู่กับการเกิดวนเวียนอยู่กับการแก่การเจ็บและการตายแล้วอันนี้คือวัตถุชิ้นนี้มันจะต้องประสบกับความโศกความล่ํายลําพันธ์ต้องไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็คับแค้นใจอยู่เหนืองนิด ทุกเหล่านี้เ บ, บ, บียบเบียนบีบขันกระแสขันของเธออยู่เนือง